ที่บริสุทธิ์ล้วนแม้จะอยู่ในขันก็ไม่มีการกระเพื่อมตวัวเองอาการแห่งความกระเพื่อมที่ว่าเวทนาทัญญาสังขารยิญญา เหล่านี้เป็นอาการของสมมติเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นรูปเป็นพื้นฐานเวทนาก็แทรกอยู่กับกายอันนี้สุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้า ง, างเพราะไม่มีภายในใจของอิจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วสัญญาก็เพียง อาการอันหนึ่งเกียรัยความรู้นั้นแต่ไม่ใช่เป็นความรู้นั้นอย่างแท้จริงสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอาการนี้จริงมีเกิดมีดับตามสภาพของสมตุติธรรมชาติ ความรู้แท้ๆนั้นพูดไม่ถูกทั้งๆที่รู้มีาสาี่ท่านว่าสันติโกประเภทนทั้นสันติโกของธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นวัคเป็นตอนนั้นเป็นประเภทหนึ่ง สันทิฏโกของหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์เป็นประเภทหนึ่งสันทิฏโกนี้พูดไม่ได้อันจึงเรียกว่าปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะของผู้ที่รู้นั้นเท่านั้นธรรมนี้ก็ไม่มีปัญหาสันทิฏโกก็มีปัญหาปัจจตังเวริตัโววินิก็ไม่มีปัญห า, จจบบญหาถ้าเข้าถึงต้นปัญหาจัางแท้จริงแล้ว ได้ต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนตัวเหตุนี้พระกินาศบทั้งหลายท่านจึงไม่มีเวทนาทางจิตนอกจากเวทนาทางกายเท่านั้นคำว่าจิตเป็นอิสระ ก็คือความรู้ที่ไม่มีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยตลอดเวลาตั้งแต่ขณะที่ท่านบรรลุธรรมแล้วอาการแห่งขันที่แสดงอยู่ทั้งมวลนี้เป็นสมมุติทั้งสิ้นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จิตนั้นจิตไม่มีอะไรจะทำให้กําเริบอีกแลาจะทำให้ยิ่งกว่านั้นก็ไม่ได้ย่อนกว่านั้นก็ไม่ได้ ถ้าท่านไม่สนใจไม่มีความรู้สึกจะทำให้ยิ่งห้หย่อนเพราะเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตกตอนที่ยังถูกสมมุติเกี่ยวข้องหรือปกคลุมหุ้มหอ่อหรือเป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชายอย่างนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง อาการสิ่งเหล่านี้จะพาให้เคลื่อนไหวในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆจึงไม่มีที่ริ้สุดซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสังสมตัวของมันคือกิเลสเคลื่อนภายในตัวเสมอและสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในจิตที่ครอบงำจิตอยู่นั้น ก็ไม่มีทางทราบได้ว่าสาเหตุเป็นมาอย่างไรและไม่ทราบวิธีที่จะแก้ไขถอดถอนอย่างไรอีกด้วยถ้าไม่มีพระโอวาทคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทั้งวิธีแก้วิธีถอดถอนวิธีบำเพ็ญมาแล้วตลอดถึงบรรลุผลนั้นสมบูรณ มาสั่งสอนจะไม่มีสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธระถนี้จะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมแวกไหวาจากสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้จึงเป็นความยากแสนยากลำบากแสนลำบากนานๆจะมีได้เพียงพระองค์เดียว ถ้่าองเดียวเท่านั้นเพราะเป็นสิงเป็นสิ่งที่หลุดลอยออกมาได้ยากจากอำนาจของเชื้อวัตตะจักที่ครอบนำจิตใจอยู่อย่างมิดชิกดังท่านกล่าวไว้ว่าอวิชาปฏิยาสร้างขาาราเป็นต้นนี่แลคือตัวการอันแท้จริงแทรกอยู่ภายในจิตครอบนำจิต ด, ด้วย ไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นกลายที่เป็นแง่แห่งอัตยางธรรมซึ่งจะย้อนเข้าไปเป็นค่าสึกแก่มันได้เลยนอกจากมันเป็นผู้ตกผู้แต่งผู้บังคับบัญชาให้คิดให้ปรุงให้จดให้จำให้ยินดียินร้ายให้รักให้ชังให้เบียดให้โกรธโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ทำไม่มีทางที่จะทราบได้เพราะมันทำหน้าที่เสียทั้งหมดเราจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตก็ไม่น่าจะผิดในเวลาที่กำลังมืดมิดปิดมัวใจอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งมืดดำทั้งหลายเหล่านีาา้ท่านจึงกล่าวว่ายิโชบุ ธ, ธาน้ำมุ ป, ปาโด คมอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นลาบอันประเสริฐคือลาบของสัตว์ที่จะได้มีช่องทางแบวกว่ายออกมาจากหลมลึกหรือโลกันตะจิกเพราะพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นั้นรงลื้อขนสัตว์โลกทั้งหลายออกไปจาก สิ่งคุ้มขังสิ่งกดขีบังคับได้เป็นจำนวนมากมายการทำประโยชน์จึงไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าไปได้เป็นอันดับหนึ่งและการทำประโยชน์ดังพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีใครจะสามารถทำได้ไม่มีใครสามารถจะรู้วิวธีการแนะนำพร่ำสอน ด้วยอุบายต่างๆเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาเลยในบรรดาธรรมของพระพุทธเจ้าที่มาสั่งที่พระพุทธเจ้าที่มาสั่งสอนโลกนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรู้ได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใ ด, ด, ดเป็นคู่แข่งในความรู้และการสั่งสอนเพราะไม่สามารถจึงมีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเมือ่อไดจรัตจะรู้แล้วความบริสุทธิ์เต็มพระไถย เห็นโทษแห่งวัตจักรซึ่งเคยหมุนจิตใจให้ก่อกาเนิดเกิดในภพต่างๆประจักรพระไทยและเห็นแดนแห่งความพ้นคุกประจักรในจุดเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกสลายทาลายลงไปโดยชิ่นเฉียแล้วน้าพระไทยที่เต็มไปด้วยแห่งความเมตตานั้นเนื่องมาจากได้ทรงเห็นโทษ ของสิ่งที่เป็นโทษนั้นอย่างเต็มพระทัยมาแล้วและเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ประจักนั้นเต็มพระทัยเช่นเดียวกันจึงทรงสั่งสอนโลกด้วยพระมเมตตาสงสารรนรวนไม่มีใครเสมอได้อีกด้วยในพระนามว่ามหาการุณิโกนาโถกายสัพ ป, ปานีนังพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งอันเอกของสัตว์โลกและเต็มไปด้วยพระเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่อสัตว์โลกนี่คือเป็นพระเมตตาจริงๆไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยกรุณาจริงๆนับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วไม่ทรงนอนใจอย่างภาษาของเราเพราะธรรมชาติแห่ง พระเมตตาและกรุณานั้นประหนึ่งว่าเตือนพระทัยอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติจึงต้องดพยายามสั่งสอนสัตว์โลกถึงขนาดว่าไม่มีเว ล, เวลาตอนกลางวีกลางกลางวันก็สอนประชาชนมนุษย์มานานสอนภิกษุหรือบริษัทสิ ตกกลางคืนก็สั่งสอนเทพทั้งหลายในชั้นต่างๆตั้งแต่ลูกข้ดเทพถึงสวรรค์ชั้นนั้นๆจนถึงชมโลกพอปล่อยจากงานนี้ก็ทรงเลงยานดูสัตวโลกที่จะมาเกี่ยวข้องในตาข่ายคือพระยานของพระองค์ ว่าจะควรแนะนำหรือรีบแนะนำส่งสอนสัตว์รายสัตว์โลกรายใดบ้างที่ควรจะรับอัดรมเต็มภูมิอยู่แล้วแต่จะเป็นอันตรายแจกยิตมเสียก่อนก็ส่งรีบไปประธาน อ, อู่ว่าโปรดสัตว์รายนั้นนั้นให้หลุดพ้นไปทำกับการกับเวลาของธาตุขันที่ยังไม่มาถึงวาระของตน คือตายตอนเช้าก็เสด็จออกบินถวาดโปรดสัตว์โลกให้เขาได้เห็นได้ยินจะรับสั่งออกมาด้วยอัดด้วยทาประโยคใดบทใดก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ดวงใจของสัตว์โลกเป็นจำนวนมาก การให้ทานแก่และชิ้นละชิ้นในวัตถุเปยท า, านนั้นก็เป็นประโยชน์มหาศาลเพราะผู้ให้ก็ได้ให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความเชื่อความนิมิตเป็นพลังสำคัญที่จะให้เกิดปุญเกิดกุศลเต็มที่อยู่แล้วประกอบกับวัตถุทานก็ได้เสียสละลงเต็มเจตนาของตนการโปรดสัตว์พระองโปรดอยู่ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลย ธรรมที่นำมาโปรดสัต์นี้ก็ไม่มีใครค้นพบมีพระพุทธเจ้า พ, พราะองค์เดียวไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดธรรมสมบัติจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงฝุดวิมุติพนิพานก็ไม่มีใครที่จะหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้เห็นหรือให้รู้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าที่ เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้เต็มพระทัยอยู่แล้วการทำธุระของพระโพธิเจ้าเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดที่มนุษย์ด้วยกันไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและทรงทำประโยชน์โดยตลอดทั่วถึงแก่บรรดาสัตว์ทุกขั้นทุกภมิ เรื่อยมาจึงมีพระนามว่าสัทธาเทวมนุษย์านคือเป็นครูให้การอรุมสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวดาไม่จำกัดตั้งแต่ลุกข้เทวดาจนกระทั่งถึงพรหมโลกมีเรียกว่าเทวดาทั้งนั้นในคำพูดรวมของเทพทั้งหลาย การกล่าว <G uan line> ที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแต่ละโพรงนั้นเป็นราบของสัตว์ก็เพราะสัตว์นั้นถูกจำจองอยู่แล้วด้วยความทุกข์ร้อนประการต่างๆทั้งทุกข์ธรรมดาทั้งมหมาหันตะทุกข์กด้วยความมืดความบอดความไม่เห็นถนนทุนทางที่จะแยกจะแยกออกไปสู่จุดใดอันเป็นความพ้นภยัยหมุนเวียนอยู่กับความทุกข์ความทรมานด้วยความ มืดดำกาตาท่านเหล่านี้มีความหิวกระหายต่อความพ้นจากแหล่งแห่งความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่เต็มหัวใจด้วยกันแต่พอย่างยิ่งท่านผู้มีอุปนิสัยปัจจัยที่ควรจะรับธรรมได้อยู่แล้วก็ยิ่งมีความหิวกระหายมากด้วยเหตุนี้การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละประโยคซึ่งเต็มไปด้วยความสั์ความจริงที่เรียกว่าสวกขาตธรรม สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ยิ่งกขยิมยิ้มย่องที่จะรับเปิดใจอย่างเต็มอกฟังอย่างถึงใจปฏิบัติตนอย่างเอาชีวิตเข้าเป็นตัวประกันจนถึงกับหลุดพ้นไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละโป้งเป็นเช่นนี้ต่อสัตว์ทั้งหลาย ไม่ได้มีโทษแม้นิดหนึ่งในการแนะนำสั่งสอนของพรพิทธเจ้าต่อสัตว์โลกนอกจากเป็นบุญเป็นคุณมหาคุณอย่างยิ่งเท่านั้นนีเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งสมเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งอยู่แล้วกับาศาสนาธ ร, รที่ทรงประกาศ สอนมนุษย์เป็นอันดับแรกที่ควรจะนำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งรกกรุงรังสิ่งกีดขวางทิ้นแทงทั้งหลายอยู่ภายในใจให้ดุดรอยออกไปตามความเพียรของเราจึงไม่ควรท้อถอยน้อยใจว่าเราบุญมีบุญน้อยวาสนานไม่สมควรแก่ทำทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแท้ ไม่ให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวจะดูดพ้นจากบ่วงแห่งมารไปเถี่ยเพราะกิเลสเป็นเป็นมารท่านจะเรียกว่ากิเลสสมานกิเลสสมานจะต่หาที่ไหนจงดูที่ดวงใจซึ่งมันแสดงความเป็นมารต่อใจอยู่ตลอดเวลาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเวลาจะประกอบความเพาเพียงทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา มันจะจีดจะขวางทุกแง่ทุกหมุมนี่คือมารของความดีทั้งหลายหรือมารของถรรเป็นอย่างนี้อยู่ที่หัวใจจงดูที่หัวใจของตัวเองดูที่อื่นไม่เจอไม่เห็นถ้าดูที่ดวงใจแล้วจะเห็นจะรู้ทั้งจะได้ละได้ถอนกันตามจุดที่มีอยู่นั้นโดยถูกต้อง ความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เคยมีเคยเป็นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอจะทำให้ดูดดื่มอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสำคัญมั่นหมายอยู่เรื่อยไปไม่มีคำว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าความคิดความจำเหล่านี้เป็นเดนไปแล้วไม่สมควรที่จะนำมาคิดมาปรุงมาสำคัญมั่นหมายอีกต่อไปดังนี้ไม่มี เนสิ่งที่มีรสมีชาติด้วยอำนาจแห่งเพลงกล่อมของมันไม่ให้จืดจางได้เลยนี่จึงเรียกว่ากิเลสนี่แหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสการคุมอำนาจก็ไม่มีใครเกินกิเลสคุมอานาจภายในหวัวใจสัตว์ถ้าไม่มีธรรมเข้าแสงสว่างคือธรรมเข้าซองดูเรื่องของกิเลสแล้ว จะเกิดจะตาอยู่กี่กับนับไม่ถ้วนก็เช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบดองนั่นแหละตายไปถึงที่เคยไต่กี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบว่าได้เคยไต่แล้วขอบดองตรงขอบนี้หรือสถ า, านที่นี้เคยไต่มาแล้วจะไม่มีทางทราบเลยเพราะยิ่งเดดปิดไม่หมดไม่มีทางทราบดาัเช่นเดียวกับคนตาบอด แต่จูงไปไหนกี่ครั้งกี่หนนะไม่มีทางทราบได้เลยว่าที่นี่เคยมาแล้วที่นั่นไม่เคยมาเพราะไปได้วยความตาบอดจะไปรู้สถานที่ไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างไรก็คนตาบอดไปไหนมองก็ไม่เห็นจูงกลับไปกลับมาตลบทบทวนเหมือนจูงวัวในครอบมันก็ไม่รู้ พ่อตาบอกนี่อวิชชาตันหาซึ่งเป็นตัวกิเลสตันสำคัญจูงจิตใจของสัตว์โลกให้ท่องเที่ยวยืนในวตาสงสารให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้สําคัญมั่นหมายไม่มีความอิ่มพอนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนเป็นของใหม่อยู่เสมอไปทั้งทั้งที่เป็นของเก่าเคยคิดมาเคยปรุงมาแล้วเคยสําคัญมั่นหมายมาแล้วเคยให้ความทุกข์ความลําบากทรมานมาแล้ ว, ม า, ลวมากน้อยเพียงไร ก็ไม่สนใจในโทษที่เคยคิดเคยจูงนั้นมีแต่ความดูดดื่มเพราะกิเลสจูงไปเพราะเพลงของกิเลสมันสนิท ด, ดีดูดดื่มให้ติดให้พันรักก็ติดใจชังก็ติดใจโกรธก็ติดใจเรียดก็ติดใ จ, ดดใจอะไรติดใจทางนั้นเพราะกิเลสเป็นเครื่องให้สัตว์โลกติดไม่ใช่เป็นเครื่องที่จะให้สัตว์โลกเบื่อหน่ายมันและปล่อยวางมันไป เมื่อเราจะทำคุณงามความดีมันจึงต้องเข้าขัดขวางเพราะไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสว่าอาการของเราที่ทำเช่นนั้นเป็นอาการที่จะอยู่ใต้อำนาจของมันต่อไปหรือจะเป็นการฝ่าฝืนอำนาจของมันแบกเหนีแบกบแบบตัวหนีจากมันมันรู้ทันทีจึงต้องขีดต้องขวางไว้เสมอจนกระทั่งมันหมดอำนาจนั่นแหละ มันถึงจะหยอ่อนด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียนทุกประโยคจพะพาออย่างยิ่งของนักปฏิบัติจิตตภาณนาจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิเล ส, สมาน์อยู่ที่ตรงไหนนอกจากอยู่ที่ใจแล้วยังแสดงวาดภาพออกภายนทางจงกรวาดภาพออกทางสมาธิวาดภาพออกทุกแ ง, ง่ทุกมุม ขนาที่จะนั่งภาวนาว่าภาพของทุก์ไว้แล้ววาดภาพให้เกิดความลำคาญไว้แล้ววาดภาพให้เกิดความท้อถอยน้อยใจไว้แล้ววาดภาพให้เกิดว่าให้มีความรู้สึกว่ามีวาดบุญน้อยวาสนาน้อยวาดภาพว่าตนมีสติ ป, ปัญญาเถรเนน้อยจะไปไม่ตลอดไปไม่ไหวเสียแล้ว มันวาดขึ้นทุกเนี่ยทุกมุมเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เพลงของกิเลสวิชาของกิเลสที่หวานล้อมเราผู้ดำเนินหรือบางเพลงทำมาหลายให้เอาตัวรอดไปไม่ได้นี่แหละคือกิเลสสมานขอทุกท่านจงกําหนดลงที่ตรงนี้ดูเพลงของมันให้เห็นธัดเจ็บถ้าอยู่เฉยเฉยมันก็ไม่มีอะไรต่อสู้นอกจากนั้นก็ฟังเพลงของมันกล่อมให้เพลิดเพลินไปเรื่อยเครื่อไปเรื่อย เพื่วความยินดียินาย้าอืมโศกสรรกันแสงก็ฮอใจกันไปตุ้นเลงมันถึงในอจีตาลมเพื่ อ, อดีตที่ล่วงมาแล้วในเรื่องใดก็ให้เพลินไปตามเรื่องที่เคยเป็นมาแล้วไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายอิ่มพอในสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นของเป็นเดน่นเป็นเด่นนั่นบ้างเลยนี่เป็นอย่างนั้นถ้าอยู่เฉยๆมันก็กล่อมไปอีกแบบหนึ่งชุดลากไปเหมือนเราจุงวัวจุงควายนี่ จะจูงไปไหนก็แล้วแต่จูงไปใช้การแค้งานหรือจะจุงไปข้าก็ไม่รู้พอถึงจุดที่รู้เป็นถึงที่จวนจุดที่จวนตัวแก้ไขไม่ได้แล้วต้องยอมจมไปยอมตายไปเลยเป็น่ังนี้สิ่งเหล่านี้มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของโลกโลกไม่อาจทราบได้เลยถ้าไม่มีวิชาทำเป็นเครื่องพิสูจน์ วิชาธรรมเป็นแต่เพียงจดจำได้หมายรู้ธรรมดาดังที่เราเรียนมานี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าปริยัตได้เกี่ยวกับการซึกงสมเนกศึกษาให้เข้า อ, อกเข้าใจนับแต่วันเริ่มแรกถ้าหลักนับบวชคือเทสาหลูมานะขาธันตาแตโจเป็นต้นที่บุชายะมอบให้นี่คือหลักวิชาสอนลงที่ตรงนี้นีเรียกว่าปริยัตได้แล้ว การปฏิบัติคือก็คือการคลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันเรียกว่าภาคปฏิบัติการกาหนดพิจารณาทำละจิตใจของตนด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีในบรรดาที่เล็น้อยใหญ่หนาบางขนาดไหนซึ่ง กุมลุ ม, ลมอยู่ภายในจิตใจและแผ่กระจายไปตามอวัยวะต่างๆให้เกิดความสําคัญมั่นหมายจนติดแนบภายในใจประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราแม้เป็นของเขายังรักอย่างชอบอย่งเปรียดอย่างชังอย่าว่าแต่เป็นของเราที่รักชอบโดยเดียวเลยนี่มันแผ่กระจายอํานาจของมันไปอย่างนี้แล้วเราหาทราบไหมว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสเป็นผู้แผ่อาํานาจออกไปด้วยความจอมปอมหาความจรงิงจังอะไรไม่ได้เลย ถ้าไม่มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นพิสูจนจะไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรอดินก็จะถือมาถือว่าเป็นเราน้ําลมไฟก็จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราแม้ของเขาก็จะถือยึดเข้ามาเป็นของเราได้ด้วยอํานาจของเจตเด็ชมันแผ่กระจายออกไปไม่ให้เจ้าของรู้ได้เลยโดยแหตุ น, นี้การปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์หาความจริงเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติเพื่อความจริงล้วน พระพุทธเจ้ากรตรัดสรุปเพราะการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมเพราะการปฏิบัติฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสให้หลุดรอยประจกจิจโดยทิ้นเชิงเพราะภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคสำคัญที่จะเอาคําสัตย์ความจริงต่อกันระหว่างทำกับกิเลสระหว่างวัตจักรกับวิวัฏจักรรบกันจะจะรบกันที่จุดนี้ด้วยภาคปฏิบัตินี้รู้กันกระู้ที่ตรงนี้ ได้ชัชนะก็ได้ที่ตรงนี้ไม่ได้ที่อื่นที่ใดเราเป็นต้องนักปฏิบัติตรงทําจิตใจให้เข้มแข็งคอยสังเกตียทั้งการเรื่องเพลงของกิเลสมันกล่องแบบไหนท่าไหนก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เพียงยนย่ อ, อเท่านั้นปริยายมากก่อนนี้ไปก็คุ้นทราบว่าเป็นส่วนมากมีแต่เพลงของกิเลสทั้งนั้นกล่อมพวกเราอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดในสถานที่ทำกล่อมพาคเพียอไม่ลดละปล่อยวางเลยตัวพยายามที่สุดก็คือตัวนี้ เป็นแนวลึกแนวลับสลับซับซ้อนเป็นสื่ออันสําคัญตามผูต้ตามเห็นอาการความเคลื่อนไหวของเราจะเป็นไปนในแนวใดเหมือนกับเหมือนด้นนักสืบหรือพวกที่ว่าตํำรวจนอกเครื่องแบบเป็นแบบนั้นมีทั้งในเครื่องแบบมีทั้งนอกเครื่องแบบคือมีทั้ง อย่างเด่นชัดมีทั้งอย่างสลับซับซ้อนไม่ให้เรารู้เลยดย้วยเหตนี้จึงมีการมีความลําบากในการปฏิบัติเพราะมีการต่อสู้กันไม่ต่อสู้ก็ไม่เรียกปฏิบัติไม่เรียกว่ารคถ้าท้อถอยเมื่อไรเป็นว่ามันได้เปรียบเราทุกทีไม่ต้องสงสัยต้องพยายามเอาให้จริงให้จำการนอนจมอยู่ในวตัตาสงสารด้วยอํานาจของกิเลส พาให้เป็นไปหรือบังคับบัญชาหรืออยู่ในอำนาจของกิเลสนี้เราได้เคยอยู่ใต้อำนาจมันมานานแล้วไม่มีอะไรที่เป็นที่สงสัยหากจะวิเศษวิโสเราก็ทุกๆคนสัตทุกตัวก็ควรจะได้รับความวิเศษวิโสไปแล้วจากกิเลสทั้งหลายที่ย่ํายีปีธาจิตใจของเราเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้บัดนี้เราต้องการความจเจริญความสุขความจเจริญความสงบ เฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายปรายทางก็คือความพ้นจากทุกข์เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องห้ามหันกันอย่างเต็มที่เต็มฐานในการปฏิบัติของเราแล้วอย่าลดละทอ้ทอถอดนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่กิเลสพาให้ประเสริฐการต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะเท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ทุกก็ทุกเพื่อความประเสริฐจะลำบากลําบนเพียงไรในการประกอบความาท่าเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสให้ถือว่าความลำบากอันนี้เพื่อความประเสริฐไม่ใช่เพื่อความล่มจงพอที่จะเกิดความท้อถอยอ่อนแอเอาให้จริงให้จริงนักปฏิบัติอย่าท้อถอยลูกศิษฐาโคตรเราะจะได้เห็นว่ามรรคนิพพานเป็นอย่างไรจะไม่นอกเหนือจากวงแข็งสวขาวธรรมและผู้ปฏิบัตินี้ไปได้เลย ขอให้ท้ายความคิดพินิจพิจารณาสติปัญญาอย่าทุ่มเทไปสิ่งไปสู่สิ่งภายนอกมันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเสียไม่สมกับเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเอาสติปัญญานี้ไปห้ามหันกับกิเลสและปราบปรามกิเลสและจะ ก, กลายเป็นเรื่องของกิเลสเอาสติปัญญานี้ไปปราบปรามเราเยอย่าเสียดายความคิดความปรุง อย่าเสียดายความสาคัญมั่นหมายอย่าเสียดายเรื่องราวที่เคยเป็นมาแล้วมากน้อยเพียงไรมันเป็นเพียงลมดมแรงแรงที่ว่าภาคออกจากใจอันเป็นไปพราะอำนาจของกิเลสนี้พาให้เป็นไปต่างหากไม่ใช่เป็นไปเพราะทําเป็นผู้พาให้เป็นไปทำที่พาให้เป็นไปนั้นคือเป็นไปจากความเพียรเป็นไปด้วยความจงใจเป็นไปด้วยความพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสความลึกลับสลับทับซ้อนเพียงไรของกิเลสจะรู้จะเห็นกันไปโดยลำดับ เมื่อรู้เห็นแล้วทําไมจะไม่ได้ต่อก่อนกันต้องได้ต่อสู้ต้องได้ตัดปันแก้ไขกันจนกระทั่งถึงเล็ดรอดออก ไ, ไปได้โดยลําดับลําดับจิตไม่เคยสงบเลยก็เพราะกิเลสพาให้วุ่นเล่อยากเข้าใจว่าทำพาให้วุ่นกิเลสต่างหากพาให้วุ่นกิเลสต่างหากพาให้ทุกข์ไม่มีอะไรพาให้ทุกข์ในโลกนี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นพาให้ทุกข์แม้ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะกิเลสเป็นสําคัญที่ ผิดร่างกายนี่ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมาจากไหนมาจากกิเลสเราจะประจำนิที่ไหนไม่มีช่องที่จะไม่ตำหนิกิเลสถ้าเป็นนักป ฏ, ฏิบัติแล้วต้องในตำหนิกิเลสทุกช่องทุกระยะที่เคลื่อนไหวมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเรื่องของจิเลสทาแท้ไม่ได้พาให้เป็นทุกข์ให้ทราบอย่างนี้ จิตทำไมจิตไม่ลงจิตวุ่นวายนั่นคือกิเลสออกทํางานเต็มที่เต็มฐานเราต้องต่อสู้กิเลสด้วยการบังคับจิตเอาจะเป็นจะตายก็บังคับกิเลสบังคับก็บังคับมาพอแล้วสร้างแต่ความทุกข์ให้เราไม่อิหนาละอาใจไม่เข็ดหลับบ้างเหรอเวลาจะประกอบความภากเลียนได้รับความทุกข์บ้างเพียงเล็กๆน้อยๆมีแต่ความเข็ดความหลบับนั่นแหลคือถูกกล่อมจากกิเลสแล้ว ทุกแค่ไหนก็ให้ทุกการต่อสู้กับกิเลสเอาให้กิเลสมันหลุดลอยให้เห็นต่อหน้าต่อ ต, อตาประจักษ์สติปัญญาของเรานี่ยแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญาแท้เป็นผู้มีความเพียรแท้เอาให้ยินตังตงตรงนี้อิสงบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสสงบตัวลงไปด้วยอานาจของความเพียรที่บังคับนั่นความสงบนั้นไม่ใช่ยิน กิเลสพาให้สงบทำพาให้สงบต่างหากหจำไว้ตรงนี้เมื่อสงบลงไปแล้วเป็นสุขขึ้นมาสุขมากสุขน้อยเพราะความสงบมากน้อยเป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของกิเลสพาให้สงบมากน้อยพาให้สุขมากน้อยเป็นเรื่องของธรรมทุกแค่ไหนก็มาประมวลลงในความสุขที่เป็นผลนี่แหละม่ได้เสียหายไปไหนจะออกพิจารณาทางด้านปัญญา ก็ให้พิจารณาอย่าถือการถือเวลาอย่าเอาเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรเป็นแบบที่ว่าเรียงลําดับจะกลายเป็นปริยัตจะกลายเป็นเรื่องของโลกเป็นแบบแปลนแผนผังไปตำหนองนั้นไม่ถูกสําหรับผู้ปฏิบัติเมื่อโอกาสเมื่อจังหวะเหมาะเมื่อไรที่ควรจะพิจารณาอาเอาพิจารณาลงไปเลยอืหยิดสงบขนาดไหนก็เป็นพื้นเป็นฐานหรือเป็นบาทเป็นฐานของปัญญาได้เช่นเดียวกันหมดหยุดมีความสงบแค่นี้ ก็เป็นบากเป็นฐานของการพิพจารณาทางด้านปัญญาในขั้นนี้ขั้นนี้ต่อไปโดยลนำดนับเวลาจะสงบก็เอาให้สงบยึดไม่นอกเหนือไปจากการบังคับปัญชาของสติปัญญาไปได้ที่เหลือกลัวเรื่องสติปัญญาไม่ได้กลัวเรื่องความเผลอเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องของเด็กโดยตรงอยู่แล้วพยายามเอาให้เอาให้ดี ปู่กำหนดอนาปานาสติก็ให้รู้ให้รู้แต่ลมเท่านั้นอย่าไปคาดไปหมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะเกิดเป็นแสงสว่างมองเห็นนั่นมองเห็นนี้มองเห็นเทวดาเทวดาสวรรค์ชั้นผมนรกเอเวจีอย่าไปสําคัญมั่นหมายนอกไปจากตัวเหตุที่กําลังทําอยู่เวลานี้คือการกําหนดลมหายใจด้วยความมีสตินี่เป็นหลักฐานสําคัญที่จะสร้างผลขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัย ความวาดภาพความคิดด้นเดาไปอย่างนั้นไม่ใช่การสร้างผลอันพึงใจขึ้นมาแต่เป็นการสร้างความกังวลให้แก่ตนเองตา่างหากให้พึงทราบไว้ผู้ภาวนาอย่าไปคาดไปหมายผลจะเกิดขึ้นจากวงปัจจุบันที่เรากําหนดพิจารณาด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจมีสติอยู่นั่นแหละผู้กําหนดอารมณ์ใดก็ตา่างให้มีความจริงจังต่ออารมณ์นั้นมีสติติด ต, ต่อสืบเนื่องกันอยู่กับงานของตนที่ทําเช่นกําหนดบริกรรมคมาําว่าพุทโขก็ดี เป็นต้นให้มีความรู้อยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธประหนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยพอที่จะเป็นสองกับสิ่งนั้นเป็นสามกับสิ่งนี้มีอยู่อันเดียวเท่านั้นคือคําว่าพุโทโธกับความรู้กลมกลืนกันดุบโดยลําดับลําดานั่นแหละที่นี้คําว่าพุโทโธที่เรานําบริกรรมนั้นเมื่อจิตสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคําบริกรรมกับคำว่าคําคําว่าพุโทโธกับความรู้นั้นจะ ก, กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ทีนี้คำว่าพุโทโธพุธโทโธเลยหายเงียบไปกลายเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมานั่นถึงตัวแล้วถ้าเป็นตามรอยโคก็ถึงตัวโคแล้วปล่อยลอยมันได้อันนี้ก็ถึงตัวพุท ธ, ธซึ่งเปรียบเหมือนตัวโคแล้วปล่อยคําบยกรรมนั้นได้ในเวลานั้นผูกําหนดอนาปานสติก็เช่นเดียวกันลมจะหยาบะละเอียด ก็ให้รู้อยู่ตามธรรมดาอย่าไปคาดไปหมายอย่าไปบังคับปัญนาลมให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้มีความรู้อยู่กับลมเพราะการภาวนานี้โดยถือลมเป็นอารมณ์นั้นเราไม่ได้เอาลมแต่ลมนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ถึงตัวจริงเช่นเดียวกับตามโคเราไม่ได้หมายจะเอารอยโคแต่จะให้ถึงตัวโคจรตามรอยมันไปนี่เราตามลมกาหนดดูลมก็เพื่อจะถึงตัวจริงคือความรู้ หากว่าเราจะยึดเอาความรู้อย่างเดียวนั้นมันไม่ได้ผลเช่นคนไปตามหาโคอย่างนี้ไม่แน่ใจเลยว่าจะพบโคแต่เมื่อไป ต, ตามรอยมันไปแล้วยังไงก็แน่ใจถึงตัวโคแน่ๆคำใบกรรมจรึงต้องเลยขยับเข้าไปนี่เรียก ว, ว่าตามรอยโคไปโดยลําดับการกําหนดลมหายใจก็เหมือนกันหยาบก็ให้รู้ว่าหยาบยาแสดงความกังวลวุ่นวายและอยาไปกลัวตายเพราะลมหยาบเพราะความอึดอัด ความอึดอัดเราทําการทํางานอะไรมันก็มีอึดอัดอย่าว่าแต่กําหนดภาวนานี้เท่านั้นเลยมันอึดอัดมากกว่านี้มีมากมายแต่กองแบกไม้หามเสายกของหนัหนกๆมันก็อึดอัดจะตายไปทั้งล่างอย่าว่าแต่อึดอัดภายในหัว อ, อกและลมหายใจเท่านั้นมันจะแตกไปทั้งล่างเพราะความหนักความทุกมากเรายังทนได้ยังรู้เรื่องของมันว่านี่เพราะของหนักมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยขณะที่ กำหนดอนาปาสติคือลมหายใจเวลาลมมันหยาบก็เหมือนกับของหนักมันย่อมมีความอึดอัดเป็นธรรมดาย่าถือเป็นอารมณ์อึดอัดก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นสําคัญต่อไปลมหายใจนี้ก็จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราสติจดต่ออยู่กับลมไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่จําเป็นต้องตามลมเข้าไปจะเป็นการเพิ่มภาระให้ตนมากขึ้น ดีไม่ดีก็เผอไปได้จึงให้กําหนดอยู่เฉพาะอืมปากประตูคือลมเข้าลมออกส่วนมากที่ดั้งจมูกเป็นที่กําหนดลมหายเป็นกําหนดลมเป็นที่กําหนดลมดูอยู่นั้นรู้อยู่นั้นผลจะเกิดขึ้นอย่างไรอย่าไปคาดไปหมายให้เสียวเวลาจะหนีจากหลักของเหตุอันเป็นที่จะให้เกิดผลนั้นไปเสียอพึงกําหนดเหตุคือการกระทํานั้นด้วยดีแล้วลมหายใจจะละเอียดเข้าไปละละเอียดเข้าไป เมื่อละเอียดเข้าไปแล้วจิตก็แสดงว่าจิตนั้นละเอียดละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงลมหายใจหมดไปก็ตายทั้งทั้งที่รู้ว่าละเอียดละเอียดไปเดิมดับแล้วหายไปเสียในขณะนั้นไม่ปรากฏลงเลยก็ไม่ต้องกลัวลมหายไปความรู้ไม่ได้หายเราภาวนานี้ไม่ได้ภาวนาเอาลมเราภาวนาเอาความรู้ต่างหาให้อยู่กับความรู้นั้น ไม่ต้องมิตุกวิจาร์กลัวจะล้มจะตายเมื่อใจยังคองร่างอยู่แล้วลมจะหายไปก็หายไปเถอะจะไม่ตายจิตจะอยู่ด้วยความอิสระอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวอยู่ไม่ด้วยความไม่เป็นกังวลและกลัวอะไรทั้งนั้นนี่คือการกาหนดลมกำหนดอย่างนั้นในเมื่อถึงวาระที่จะควรพิจารณาแยกแยะตามหลักของมิปัสนาเพื่อความรู้แจ้งในสิ่งแทรกซึม ท่านหลายได้แก่ที่เรศตัวแทรกซึมอยู่ภายในร่างส่วนต่างๆเอาแยกดูให้ดีแยกไปตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฝันจะถนัดในอาการใดก็ตามในสามที่สองอาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้ได้ทั้งนั้นไม่จําเป็นจะต้องปเรียงลําดับลําดาพิจารณาผมแล้วขนแล้วเล็บแล้วฟันแล้วหนังเนื้อกระดูกไม่ต้องอย่างนั้นอันนั้นท่านแสดงไว้เพื่อความเหมาะสมสําหรับนิจจาิตนิสัยต่างกาันต่างหาก เราเหมาะสมเราถูกกับจริตของอาการใดเช่นหนังกำหนดดูหนังทั้งภายในภายนอกหรือมัมนไปสนใจกับผมก็ดูผมต้องที่เกิดที่อยู่ของผมไปยังไงมันสะอาดหรือสกรปรกส้อ ม, มมอย่างไรบ้างแล้วฟันฟันก็คือกระดูกนั่นแหละดูเราถนัดตรงไหนกับจริตของเราจับจุดนั้นไว้พิจารณาแล้วจะแผ่กระจายไปหมดในอาการต่างๆนี้ ปิดไม่อยู่แค่ เ, เดียวกับไฟได้เชือ้อพอจ่อลงจุดเดียวเท่านั้นมันจะลุกลามไปตามเชื้อที่บีอยู่นันจนหมดนี่ก็เหมือนกันถ้าถ้าจิตมันจับต ร, ตรงไหนมาได้จะพิจารณาทั่วสาหาัร่างกายก็ได้พิจารณาลงไปดูหนังทั้งข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างหุ้มห่ออวัยวะ อันแสนศกกะปกโสมมแสงปฏิคุณโสโคกนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางังไว้ว่าเป็นจัตวเป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเราว่าเป็นของสวยของงามนี่คือกลมายาของกิเลสตัวจำปลอมมันหลอกสิ่งศักดโปกโสม ม, มว่าเป็นของสวยของงามมันหลอกธาตุสี่ดินน้ําลมไฟว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลให้ยึดให้ถือให้หลงมงมงายแล้วเสียบลูกศรเข้าไปสู่จิตใจของเราให้รับความทุกข์เมื่ออาการเหล่านี้มีความ เปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กๆน้อยๆหรือเก็บไข้ได้ป่วยอะไรผิดไปตามความต้องจากความประสงค์หรือความต้องการของมันมันจะสร้างทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีนี่ก็เพราะกิเลสเป็นสำคัญเป็นผู้กรอมเห็นพิจารณาดูให้เห็นชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ดูแล้วดูเล่าอย่าดูสับแต่ว่าดูดูสับ ก, ก็เป็นพิธีกิเลสไม่ใช่เจ้าพิถีไม่ใช่ตัวพิธีนะตัวกิเลสจริงๆอืทําความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้จริงๆไม่สงสัยไม่ใช่พิธี การพิจารณาจึงจะนําเรื่องพิธีรีตองเข้าไปใช้ศักแต่ว่าพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นเข้ากันกันกบทําไม่ได้แต่เข้ากับกิเลสได้สนิทเพราะนี้เป็นเรื่องของกิเลสพิจารณาให้ดีดูให้มันชัดเจนซินักปฏิบัตินี่ละสวขาธรรมท่านตรัสไว้อย่างนี้ดูตามหลักสุขาธรรมดูตามเรื่องของกิเลสติดตามเรื่องของกิเลสเพลินตามเรื่องของกิเลสหลงตามเรื่องของกิเลสทุกเพราะเรื่องของกิเลสเราเคยเป็นมามากต่อมากแล้ว บัตนี้จะหมุนจิตเข้ามาสู่ธรรมอันเป็นความจริงนั่นเป็นตัวจอมปลอมที่เคยหลอกหลอกมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วโทษของมันเป็นยังไงทีนี้ ย, นย้อนเข้ามาสู่หลกักความจริงอ้าวกิ เ, เลสมันว่าสวยว่า ง, งามตรงไหนหนังดูที่หนังสวยหนังงามไหมดูข้างนอกมันก็มีแต่ขี้เหมือขี้ใครเรียกว่าขี้ทั้งนั้นต้องช้าต้องล้างทั้งทุกีทุกวันไม่ช้าไม่ล้างไม่ได้ เวลานุ่งห่มใช้สอยอะไรเข้ามาถ้าเข้ากับร่างกายนี้แล้วจะ ก, กลายเป็นของโสโครกไปหมดไม่เห็นมาเป็นของสะอาดเพราะมาค้าเข้าร่างกายนี้เลยก็เนื่องจากอันนี้เป็นตัวปฏิกูลโสโคกกองอจุภะอจุพังอยู่แล้วเต็มตัวมันจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อพิจารณาเข้าไปตรงไหนก็เป็นแบบเดียวกันหมดนี่คือนี่คือความจริงเอาจะถลกหนังลงไปก็ออกดูสิถลกออกไปดูสิเมื่อถลกหนังออกไปหมดแล้วร่างทั้งล่างของ ของเรานี่ของก็ดีของเขาก็ดีของใครก็ดีดูได้หมายถ้าเป็นของสวยงามจริงๆแล้วแกออกจุดไหนทะลกออกตรงไหนจะต้องเป็นของสวยงามและยิ่งเด่นขึ้นสิถ้าว่าเป็นตามความจริงของกิเลสอย่นี้มันไม่เป็นตามความจริงขกิเลสเพราะมันปลอมความจริงของธรรมดูไปตรงไหนเห็นแต่เต็มไปด้วยความโสโครกโสมมทั้งนั้นทะลกออกหมดแล้วดูกันได้หมายแดงโล่ไปหมดทั้งตัวดูกันได้หมาย น่ารักที่ตรงไหนน่าชอบที่ตรงไหนน่ากำหังยินดีที่ตรงไหนและยิ่งผู้พองน้องไหลออกมาด้วยแล้วดูได้เหรือแล้วกำหนดถ้ามันแตกะจัดกระจายออกจากกันมันเปื่อยมันเนา่ามันสลายตัวลงไปโดยลำดับดับทั้งร่างอันนี้เหลือแต่โครงกระดูกสิ่งเหล่งนั้นก็กระจายตัวลงไปกระจายตัวลงไปจนกลายเป็นดินเป็นน้ำไป โครงกระดูกนี่ก็เป็นธาตุดินก็ซึมซาบกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับกับดินดินนี่เหลือเป็นเราดินนี่เหลือเป็นเขาดินนี้เหลือเป็นสัตว์เป็นบุคคลน้านี่เหลือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาลมไฟนี่เหลือเป็นสัตว์บุคคลดูแล้วดูแล่าย้าลงไปให้มันเห็นเด่นชัดว่าสักแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือปัญญา พิจารณาหลายตลบทบทวนจนกระทั่งมีความจำนิชำนาญและเข้าใจเต็มที่เต็มฐานท่องใจแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของสภาพแต่และอย่างละอย่างนั่นจิตผ่านเข้าไปสู่ความละเอียดซึ่งมียิ่งกว่านี้ในขณะเดียวกันเวทนาก็แยกกันไม่ออกที่จะต้องพิจารณามันควรที่จะนนพัฒนาเรื่อเวทนาก็อภิธนะไม่ผิดตรงไหนเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันจนกระทั่งเข้าใจได้ชัด เวทนาก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปโดยอาศัยร่างกายนี้เป็นพื้นฐานแห่งการเกิดของเวทนาสุขทุกข์เฉยๆนีมาถึงเวทนาทางกายมันก็มีเพียงเท่านั้นกลายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยเป็นความจริงแต่ละ อ, อย่างของมันตายก็เป็นความจริงอันหนึ่งของกายไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแม้ทุกเวทนาเกิดขึ้น ตัวทุกขเวทนาเองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าได้เป็นทุกข์และได้ให้ทุกขแก่ผู้หนึ่งผู้ใดร่างกายเองก็ไม่ทราบตัวเองว่าได้มีทุกขเหยียบย่ําทําลายตนเป็นกายอยู่เช่นนั้นที่สําคัญก็คือตัวสัญญาออกมาจากสมูทยัยมันสําคัญมั่นหมายว่ากายเป็นเราเป็นของเราทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นนั้นก็เหมาเา ว, ว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเลยยุ่งกันใหญ่กลายเป็นทุกขเวทนาพนายในจิตใจขึ้นมานี่ การพิจารณายกอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงของการพิจารณาแล้วจะเพิกถอนไปได้โดยลำดับลำดมีถึงการที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้อย่างเอาจิงเอาจังให้ถึงเหตุถึงผลบังคับจิตบังคับการพิจารณาด้วยสติเวลานั้นอย่าเข้าใจอย่าสําคัญอย่ามั่นหมายกับงานใดสิ่งใดในโลกนี้ประนึ่งว่าอันใดไม่มี มีแต่เรากับงานที่กําลังทํากันอย่นี้เท่านั้นอยาเสียดายอารมณ์ที่มันจะอแชแนบออกไปทะเลทถลายออกไปคิดนั้นทะเลถลายไปคิดนี้เรื่องของกิเลสมันแหลมคมมากนะเคยพูดแล้วพูดเราขณะที่พิจารณามันก็ลากมันพยายามลากอยู่ตลอดเวลาพอโอกาสมันจะล่ากออกไปให้พลาดจากงานแล้วเล่ากออกไปให้ให้พลาดจากงานไปเป็นงานของมันจนได้เล นี่ในตอนที่เรากําลังข่มขู่เรากําลังฝึกเรากําลังทรมานมีการต่อสู้กับความทะเถลไถลของกิเลสอยู่เป็นอันมากต่อเมื่อเป็นสติปัญญาอัตนมัติแล้วนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะกิเลสอ่อนกําลังลงไปสติปัญญามีความสามารถมีความแก่กล้าเห็นความจริงไปโดยลําดับตําดานแล้วกําลังของสติปัญญาจะหมุนตัวของตัวไปเอง กิเลสก็มีกําลังน้อยไม่ค่อยมีอะไรมาต้านทานขีดขวางสติปัญญาจะทําหน้าที่ได้ตามอัตโนมัติคือได้โดยอัตโนมัติขังตนไม่ต้องถูกบังคับบัญชาเหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลสมีกําลังมากอยู่นี่ท่านเดียว่าสติปัญญาอัตโนมัติในครั้งพุทธการท่านบอกมหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเอง อะไรสัมผัสสัมพันธ์หมุนไปตามเพื่อได้เหตุได้ผลเพื่อละเพื่อถอนนะแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสยังต้องหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาคนขุยเขียวขุดค้นหาสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามคือกิเลตทั้งหลายเอาจนแหลกแปกกระจายไปนี่การพิจารณานี่คือการรือวัตตะหรือออกจากใจใจเป็นตัววัตตะเอาพิจารณาเข้าไปจะรู้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ถามพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็าตาม เมื่อเข้าถึงความจริงแล้วคือความจริงนั่นแหละเป็นองค์ศรราสดาแท้เอาอยู่แหละนัะ่นคือความจริงล้นล้วนนั่นแหละเหมือนกับว่าองค์ศรราสดาอยู่ที่นั่นพาะสอนตามหลักความจริงแท้ๆนั่นพูดถึงเรื่องขั้นปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากได้ รังกันไว้เท่านั้นเพราะความเพลินกับความภาคความเพียรความเพลินในการฆ่ากิเลสความเพลินในธรรมทั้งหลายเป็นเหตุให้หลุดพ้นมีกําลังกล้าเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณค่าของธรรมที่ปรากฏประโดยลําดับดก็เห็นอย่างถึงใจถึงใจของลําดับทั้งสองอย่างทั้งเห็นโทษอย่างถึงใจและเห็น เห็นโทษของกิเลสอย่างถึงใจเห็นคุณของธรรมอย่างถึงใจย่อมเป็นกําลังของใจได้ทั้งสองภาคหนุนใจให้มีกําลังมากขึ้นนี่ผู้ประกอบความเพียรจึงสามารถสละตายได้เมื่อถึงขั้นสลัแล้วเป็นไม่เสียดายในชีวิตขอแต่ความดุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นจะถอยกลับออกมาให้เกิดจิตญาอีกไม่ได้เพราะกิเลสตัวไหนตัวไหนที่มันเกี่ยวโยงกันไปออกไปเป็นลอยงระยางขอบ ถึงขอบเขตจั ก, กรวาลได้ถูกตัดเข้ามาตัดเข้ามาโดยลำดับเห็นแต่จักใจแล้วทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอันเป็นฝ่ายหยาบของกิเลส ก, ก็ได้ตัดเข้ามาแล้วเหมืนก็ยังเหลือแต่รูปกายของเราเวทนาสัญญาทัญญา้งขานวิญญาณท่านี้ตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงกิเลสที่เคยแพร่อานาจกระจายไปทั่วทรายโลกธาตุ หมดความสามารถถูกสกัดลัด ก, กั้นตีต้อนเข้ามาเข้าสู่จุดเดิมของตนคือจิตตอวิชชาอยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ได้ถูกปัญญาตีต้อนเข้าไปฟาดปันนัลแหละเข้าไปจะมาหลบมาซ่อนมายึดมาถือในส่วนร่างกายก็แยกส่วนร่างกายเอาทุกสัดทุกส่วนให้เห็นชัดเจนมาไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือมีแต่สิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนี้เป็นนั่นเท่านั้นเป็นความจริงของมันแล้วกิเลสตัวหลอกลวงมันจะอยู่ได้อย่างไง เวทนาก็เหมือนการมันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างทีอย่างสังขานปรุงขึ้นแล้วก็ดับปรุงขึ้นแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นสัญญาบส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วของสังขานดับทั้งนั้นสัญญาดับทั้งนั้นเลญญาณพอรับทราบรับทราบแล้วก็ดับไปพร้อมในสิ่งกับสิ่งที่สัมผัสผ่านไปผ่านไปมันเอาจริงเอาจังที่ไหนมีแต่อาการหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวล น, นั่นท่านี้มันจะจะมาเกาะ อ, อยู่ที่ไหนยิ่งเล่ กาที่ไหนก็ตยจนแหลกจนแหลกเข้าถึงขั้นความจริงความจริงกิเลสตัวปลอมอยู่ไม่ได้เมื่อความจริงเข้าถึงไหนตัวจอมปลอมแตกกระจายไปแตกกระจายไปวิ่งเข้าสู่จิตไปเข้าสู่จิตเอีกปัญญาฟาดเข้าไปตรงนั้นเอาจิตจะแหลกแตกกระจายไปชิปหายไปด้วยกิเลสทั้งมวลก็ให้รู้สติปัญญาเป็นไม่ถอยวิจนาไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละคือเชื่อมันอยู่ตรงไหน สติปัญญานี่เป็นเหมือนกับไฟเผาเข้าไปเผาเข้าไ ป, เ, า เ, าไปเรียกว่าตาปรรมัมเดินกระทั่งถึงจุดของมันอย่างแท้จริงแล้วพิจารณาแต่กระจายไปจากจิตนั้นวัตจักอยู่ที่ไหนทีนี้ทำไมจะไม่รู้ว่าเคยเกิดแจกเจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอะไรเป็นต้นเหตุอะไรเป็นตัวสำคัญรู้มาโดยลำดับตามมาตั้งแต่นูนเหมือนอย่างเท้าวันมัน แผ่กระจายไปไหนตามมันเข้ามาเข้ามาจนถึงรากเงาของมันแล้วถอนพรวดขึ้นมาเลยอันนี้ก็เหมือนการกิเลสมันแผ่กระจายไปตามรูปตามเสียงตื่นโลกปิ่ ง, ง, งดดรดเครื่องสัมผัสทั่วขอบเขตจักรวาลก็ตีต้อนเข้ามาตีต้านเข้ามาด้วยปัญญาจนเข้าสู่ขันตังห้าตีต้ตอนเข้าไปจนเข้าสู่จิตอที่เรียกว่ากิตาวิชานี่แหละที่เรียกวัตจิตตรงนี้วัตจิตวัตจัก ตัวนี้เป็นต้นเหตุฟันเข้าไปแตกกระจนกระตั่งแตกกระจายเมื่อกิเลสตัวท้ายกิจเป็นวัตถกิจได้แตกกระจายไปแล้วเป็นยังไงที่นี่นะรู้ได้ชัดไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้ามอบสันติโก ว, ว่าให้ทุกรายที่เป็นผู้ปฏิบัติสันติโกรู้ต้องรู้เองเห็นเองนะ ปัจจังเวรตัวโบวินอยู่รู้จําเพาะเจ้าของนี่แหละเจ้าของผู้ปฏิบัติผู้พิจารณานี่แหละผู้ฟาดผู้ฟันกับกิเลสกิเลสแตกกระจายไปมากน้อยรู้รู้รู้กิเลสแตกไปหมดไม่มีอะไรเหลือทําไมจะไม่รู้จิตได้บริสุทธิล์ล้วนแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรพบชาติที่เคยเกิดมากี่พบกี่ชาติไม่ต้องนับรู้ว่าตัวนี้เป็นต้นเหตุพาเป็นมาแล้วอย่างนั้นนั้นหากว่าแก้กันมาได้ถอนกันมาได้ทำลายกันมาได้ใน จุดวัตจิตนี้ตัวนี้แหละจะพาให้เกิดไปตายอีกต่อไปนี่เมื่อทําลายตัววัตจิตนี้ออกหมดแล้วอนาคตจะเอามาจากไหนไม่เอาไปจากปัจจุบันปัจจุบันก็ได้ถูกทําลายแล้วและรู้เท่าแล้วทุกสิ่งนี่นั่นเนี่ยท่านว่าจิตเบื้องว้างจิตเป็นอิสระจิตไม่มีอะไรปกคลุมหุ้มห่อจิตไม่มีอะไรเป็นเจ้าอํานาจมาบังคับบัญชาเหมือนแต่ก่อนเป็นอย่างไร กับจิต ท, ที่เคยถูกจำจองมาเหมือนนักโทษนั้นต่างกันอย่างไรในผู้ปฏิบัติคนเดียวนั้นในจิตดวงเดียวนั้นความรู้สึกตั้งแต่ดั้งเดิมมาโดยลําดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ต่างกันอย่างไรน่นรู้นี่แหละทำประเสริฐคือจิตประเสริฐนี่แหละจิตกับธรรมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเอโกธรรมโมธรรมแท่งเดียวอยู่ในจิต ท, ที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี่เท่า น, านั้น คำว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลาอาการิโกนั้นจะทราบได้ที่จิตเท่านั้นไม่มีอะไรจะทราบได้นอกจากจิตดวงเดียวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมมีจิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นภาชนะของธรรมก็คือจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นตาเป็นวิสัยของรูปหูเป็นวิสัยของเสียงสัมผัสสัมพันธ์กันไปทางนั้นตามหน้าที่ของตนของตนจมูกคลื่นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งิี่อยู่ในวิสัยของตนของตน แต่จิตนี้สามารถสัมผัสสัมผันธ์ไปได้ทุกแง่ทุกมุมคำว่าทำทั้งหลายมีอยู่ก็สัมผัสที่จิตของผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมาธิทำสมถะทำปัญญาทำเป็นลําดับลําดาถ้ากิเลสไปโดยลําดับหนับรู้จิตเบาบางไปลำดับนี่จนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมปรากฏขึ้นที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดเป็นที่ปรากฏเพราะทำไม่ ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่สิ่งใดทั้งนั้นแต่ธรรมเป็นธรรมที่จะสัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตเท่านั้นและธรรมเป็นที่เป็นที่สถิตอยู่ที่จิตจิตเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมเท่านั้ น, เ, นเมื่อธรรมกับปิตได้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสงสัยอะไรหมดทางนี้สงสัยสามแดนโลกธาตุก็เป็นสมมุติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่สามแดนโลกธาตุเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหาก ทว่าเอกก็เอกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่พระพุทธเจ้าท่านบนรรทุศธรรมตรัสรู้ธรรมอันเอกท่านตรัสรู้อย่างนั้นแล้วก็สอนโลกสอนแบบเดียวกันนกับท่านได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างไรจนกระทั่งผู้ปฏิบัติตามได้รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายตามเสด็จท่านทันดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโอดังสาวกทั้งหลายตามเ ส, มสด็จพระพุทธเจ้าท่ันเป็นอาราหันต์รหั์ด้วยกันทั้งนั้นพ้นไปแล้วจากกงขัง จากที่ทรมานคือวัตจักรได้พ้นไปแล้วนั่นละทีนี้พูดได้เต็มปากถ้าจะว่าวิเศษก็พูดได้เต็มปากอัจฉรย์ก็พูดได้เต็มปากแต่ท่านไม่ตื่นท่านไม่หลงไม่ยึดไม่ถือเพราะทําทไม่ได้เหมือนกิเลสถ้ากิเลสอะไรยึดทั้งนั้นคําว่ายึดคําว่าถือมีอะไรเกินกิเลสกิเลสเป็นตัวยึดตัวถือ ทำไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้หลงยึงไม่มีอะไรเป็นภาระอยู่ตามความเป็นจริงเมื่อธาตุขันยังอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหิ้วก็หายก็บำบัดรักษากันไปเจ็บไข้ได้บ่วยป่วยรักษากันไปแต่ไม่ยึดแต่ไม่ถือแต่ไม่กังวลไม่วุ่นวายไม่สามารถที่จะทำปิดให้กระเพื่มได้ ความกระเพื่อมทั้งมวลเป็นอาการของส ม, มุดทั้งหมดอย่างขันห้านี่เป็นบิ ม, มุิได้อย่างไรมันเป็นอาการของขันทั้งหมดที่แสดงอาการความกระเพื่อมกระเพื่อมนี้ธรรมชาติที่รู้แท้ธรรมชาติที่ทำทั้งแท่งดวงจิตที่บริสุทธิ์แท้ไม่ใช่อันนี้แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอยากจะทราบเอาปฏิบัติลงไปให้รู้ให้เห็นจะไม่มีข้อแย้งตัวเองเลย และไม่แย้งบรรดาพระพุทธจารละสาวกทังหลายด้วยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนี่ลหละคำพระพุทธเจ้าวะใครเห็นธรรมเท่านั้นเห็นเราสราวก ค, คือเห็นธรรมชาติอันนี้ถ้าหายสงสัยนะการแสดงธรรมก็เห้มาส่วนๆเพียงแ ค, ค่